ใหเจอคนที่เขาเสียใจถ้าเธกลัวที่เห็นความรักมันทำร้ายใครนั่นไม่ใช่เรื่องของเราใครจากกันไปเพราะวันเวลาเปลี่ยนใจไปเพียงแค่มีใครคนเข้ามาตาฉันไม่ใช่แบบเขา ไม่มีคำสัญญาให้เธอฉันว่าไม่สำคัญแค่อยากบอกเธอนั้นให้รู้เอาไว้ฉันมันเป็นคนแบบนี้รักใครเราก็รักฝังใจรักเธอไปแล้วทั้งใจแม่ ฉันกับเธอเจะต้องห่างไกลใจยังคงใกล้เธอฉันไม่มีวันเป็นของใครเธอไม่จำเป็นต้องคอยอธิษฐินไว้ฉันรักเธอตลอดไปเพราะฉันไม่เคยเปลี่ยนใจ ไม่เคยเปลี่ยนไปไม่มีคำสัญญาให้เธอฉันว่าไม่สำคัญอย่อยากบอกเธอนั้นให้รู้ไว้ฉันมันเป็นคนแบบนี้รัก แม้พรุ่งนี้ฉันกับเธอจะต้องห่างไกลใจยังคงใกล้เธอฉัน ไม่ปลี้